ทำเป็นทุกคนเพราะมันมีการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นรู้สึกขั้วมือลงรู้สึกอัานเลี่ยวสติรู้สึ ก, สสกไม่ใช่สติ ก, กําหนดรู้นะถ้ากําหนดลงไปแล้วมันหนักมันติดมันยึดถ้ากําหนดรู้แล้วมันเพ่งคําว่าเพ่งมันติดมันยึดมันลงตัวเดียวเอาเบา เ, บาเราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตาม ให้มันรู้เรียกว่าสติสติรู้นก เ, เคลื่อนมือจะเคลื่อนวิธีใดก็าตามแต่เรามาทําเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเพราะคนมันเป็นจังหวะมีข้อมือข้อศอกขอแขนมันเป็นจังหวะเป็นส่วนเป็นส่วนของมันให้มันไปตามจังหวะของมันเส้นคิ้ตาก็ตาม ไม่ต้องหลับตาไม่ฝืนธรรมชาติจริงๆศึกษากับธรรมชาติจริงๆอนนพ่อธรรมชาติมันมีอย่างนั้นต้องศึกษาเข้าไปขับตัวธรรมชาติมันจริงมันหยุดให้รู้ไม่ใช่ว่ารู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือมันหยุดก็ให้รู้ทันทีมันไหวไปก็ให้รู้ทันทีนี่เรียกว่าผมรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่ใจที่แรกต้องทำซาเพื่อเรายังไม่สํานานกับสิ่งเหล่านั้น บัตรนี่ความสํานานมันมันคล่องแคล่วมันไวขึ้นจิตใจมันนึกมันคิดก่เห็นก็รู้ก่อเข้าใจสัมผัสได้ต้องศึกษาหลักษณะปัจจุบันถ้าเราไม่ศึกษาหลักษณะปัจจุบันนะิเนี่ยเราก็ไม่รู้ทุกเมื่อเราไม่รู้ทุกเราก็ขยับเข้าไปหาทุกนั่นเองดังนั้นคนรู้ทุกกับคนไม่รู้ทุกจึงมันไม่เหมือนกันรู้ทุกน้อยมันก็ทุกกระหมดไปนอนถ้ารู้มากๆ พูดมันกระหมดไปมาถ้ารู้ทุกให้จบให้สิ้นทุกก็เลยไม่มีเลยเพราะเราเห็นแลนะแต่ทุกก็มีแต่ทุกนั้นจะมาทําอะไรกับเราไม่ได้เพราะเราเป็นใหญ่ในทุกถ้าเราเป็นน้อยก็ทุกได้เมืนกันทุกก็ต้องบังคับเราได้อาัตามาก็เคยพูดให้ฟังถ้าเราจะเป็นนักมวยจริงๆแล้วอย่าไปฝึกหัดกับครูมากฝึกหัดกับตัวเองให้มากถ้าไปฝึกหัดกับครูแล้วอาจจะได้ ถ้าฝึกบ่อยๆกับคู่ต่อสู้ขึ้นในเวทีต้องสกทันทีแพศนะมันเป็นเกมกีฬาเมื่อตำนานปเปลี่ยวไว้ข้องแควขึ้นไปในเวทีไม่ต้องไหว้คู่อะไรคู่ต่อสู้เข้ามาซกลุมตาทีเดียวซกเข้าเบ้าตาสองตานี่เลยคู่ต่อสู้จะสู้เราไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอดีมันคิด ป, ปุ๊บเห็นปั๊บทันทีความคิดถูกหยุดเลย จะไม่มีเรื่องอะไรเลยมันจะกระทบกันพอที่กระทบปุ๊บมันแตกทันทีเลยพอดีมันแตกกระจายมันก็เข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงๆถ้ามันไม่แตกแล้วมันจะไม่เข้าสู่สภาพของมันจริงๆนี่ที่อาจารมาเปรียบไป้ฟังเหมือนกับเสื้อในร้อนหรือจะเป็นยางก็ตามเนี่มันผูกส้นนั้นนั่งกับเสานั้นผูกโซนนี้กัเราประตัดตรงกลางตัดปุ๊บมันจะสะท้อนเข้ามาติดตรงนี้ทันทีเลยมันนั่งประจัติดเข้าทันทีเลยยังไง มันขาดออกจากกันแล้วมันก็นสะท้อนเข้าไปอยู่กับธรรมชาติเขา้ามาอย่างไยที่มันดึงเข้าไปพูกกันได้นั้น น, นั่นมันเป็นยางเหนียวมันเป็นยางเหนียวท่านจึงให้รู้เห็นเข้าใจเรื่องอุปาทานเนี่วกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมก็เสวยทุกข์นนั้นแหละแต่เราไม่รู้ทุกข์นั้นแหละจึองออกจากทุกข์ไม่ได้คนที่รู้ทุกข์เห็นทุกข์แต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยทุกข์แต่อยู่ด้วยทุกข์ เขาจะไม่เข้าไปในทุกแต่ว่าไม่กําหนดรู้แต่เพียงรู้ถ้ากําหนดรู้มันนะเรียกว่ารู้กายทีแรกเนืยอ ก, กายหยาโนปัฏนาไม่ใช่กายในกายนะไม่ใช่กายในกายเข้าไปตัดไตไส้ปอกนะ่ะอันนี้เปี่ารู้กายเวทนารู้การเคลื่อนไหวเวทนาหมายถึงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิจก็รู้เนี่ยอันนี้แหละรู้กายวันนี้รู้ว่า รูปมันเนี่ยตัว ก, การเคลื่อนไหวกําหนดรูปรูปเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันเป็นรูปต้อให้รู้รู ป, ปมันเคลื่อนไหวเป็นเวทนาจิตมันคิดรูปมันเนี่ยทำอันทำให้จิตใจคิดนี่ยนะเราต้องรูท้ทำในทำแต่ว่าไม่กําหนดมันมันรู้เองอันนี้เรียกว่าสติปาัาสีอริยะสัตย์เซบาเนี่ยทุกสมุทยัยมีโรคมักทก พราะเกิดมาเป็นก้อนทุกข์เป็นลูกมีเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนพกุกสมุทัยทำให้ทุกข์เกิดคือตัวคิดนั่นเองเมื่อมันคิดออกไปเราไม่รู้มันสร้างขึ้นมาเรียกว่าสังขารมันปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเราไม่รู้ทันนั่นเองตัวสมุทัยจึงไพละทุกข์จึงกำหนดรู้ทันไวแต่เราไม่กำหนดเพียงแต่รู้มันเคลื่อนไหวเรารู้มันเป็นก้อนทุกข์เราก็ลวกวาเลิกลมันได้ ตัวสมุทัยทําให้ทุกเกิดคือตัวคิดนัตนเองถ้าเราเห็นมันคิดแล้วข่มคิดมันหยุดจึงว่าสมุทัยต้องละมันละกับมันหยุดกับเป็นอันเดียวกันมักต้องเจริญนีเนหละมักต้องทําพลิกมือขั้วมือเคลื่อนไหวไปมาต้องทํามักต้องเจริญคําว่าเจริญก็ต้องทํานั่นเองทําให้มากทิพตาก็รู้หายใจก็รู้อันนี้คนอื่นมองเห็น กำมือเหยียดมือเคลื่อนไหวเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยมันเป็นของอยากพิจตาละเอียดเข้าไปแต่มันละเอียดกว่ามันมันมองไกลไม่เห็นหายใจละเอียดเข้าไปแล้วก็ต้องศึกษาตามหลักการเหล่านี้มันละเอียดเข้าไปส่วนคิดนี่คนอื่นมองไม่เห็ น, นันี่นี่แต่ตัวเองก็ยังไม่เห็นไม่รู้แล้วนี่อันนี้เรียกว่าอริยะสัจสิคือทุก รู้พราการเคลื่อนไหวสมุทัยทําให้ทุกข์เกิดตัวสมุทัยคือตัวคิดมันคิดเราต้องรู้พอดีเห็นรู้เข้าใจผมคิดมันอยู่แปลว่าสมุทัยต้องรับมักต้องเจริญมักต้องทําทํำบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นีน่โลดจี่ ว, ว่าทําให้แจ้งให้แจ้งคืออะไรมันเห็นมันรู้มันเข้าใจวิธีกลไกเทคนิคของจิตใจรู้ ไม่ใส่จะไปจำเอากับตาําราอันคนไปจำเอากับตำรับตําลานั้นดีแล้วแต่ว่ามีทุกข์บ้างไหมถ้ามีทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคนนั้นไม่มีทุกข์ก็ดีแล้วดีเหมือนกันแต่ที่เราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นก็ต้องรู้อันนี้รู้จริงๆเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าอาริยสตี และสะติปัานสี่ไม่ต้องแปลอะไรมากทำเพียงเท่านี้แหละคนสำหรับคนป่วยคนไข้เนี่ยนอนกลางคืนมานานแจ้งกลางวันมานานคําเพื่นว่าทางยาวไกลสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำเนี่ยเพื่อนว่าคือวัะสงสารยืนยาวนานสำหรับคนไม่รู้ทำเพ่นว่าอันนี้มันเป็นคำพูด คนไม่รู้มันก็ยากิคนที่มันรู้แล้วมันทำสบายเราเราต้องการควมสบายทำให้มันสบายเมื่อเราไปถึงที่สุดมันจะสบายคนนอนเมื่อคืนเนี่ยคนเจ็บคนไข้เนี่ยเพราะมันไม่มีทางไปแล้วก็คิดถึงตั้งแต่ความสว่างกับความมืดเท่านั้นเองโอ๊ยการนอนไม่หลับเนี่ยก็เออปัญญาจิหุ้มมาหนอปัญญาจิตแจ้งมานนอขันกลางวันกับปัญญาจิค้ำหนอเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น วันนี้คนเดินทางไกลนะโอ้ยไปในจีฮอดีถึงนอกเนี่ยห้าบของหนักแต่ความจริงทางเทียงกิโลเดียวเท่าเดิมบันนี้เราห้าบของหนักเข้านานถึงอันนี้เขาเรียกวัตตะสงสารยื่ยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำถ้าเรารู้ทำเนี่ยมันใต้กลางวันก็เหมือนกันสิบสองตัวโมงเหมือนเดิมแล้วทางกิโลเดียวก็เหมือนกันเดินไปกิโลเดียวแต่แตเราห้าบของหนักเท่านั้นเอง อันนี้ก็เหมือนกันที่เราแสวงหามรรคผลนี่ผ่านก็เป็นการยากแต่ความจริงแล้วมันไม่ยากมันไม่ยากเพราะมันยากนั่นคือเราไม่รู้นั่นเองเดียวเราอยากไม่รู้ถ้าเราอยากรู้แล้วมากำหนดตัวนี้มาให้รู้สึกตัวนี้เองถ้ารู้สึกตัวอลไรไม่ยากหลวงพ่อไม่ยากสิ่งที่มันยากคือเราไม่รู้คือเราไม่รู้ที่ไปที่มานั่นเองถ้าเรารู้ที่ไปที่มาเรื่องใกล้ที่สุด เน่มาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ๆแต่เรามาทําให้มันไกลเส้นเราให้ทานแล้วก็ต้องการนิพพานทานบ้านเดียวก็ต้องการนิพพานทานร้อยบ้านก็ต้องการนิพพานทานมื่นทานแสงก็ต้องการนิพพานนี่เป็นอย่างไนลองไปภาวนาพุทโธธรรมโมอรหังพรก็ต้องการนิพพานแต่เราไม่เข้าใจว่าเดินไปหานิพพานเดินไปทางไหนเราไม่เคยรู้นี่เป็นอย่างไรที่วัด มันเป็นของยากเพราะเราไม่รู้จับโน้นจับนี้จับโน้นจับนี้ก็เลยไม่รู้จับจับต้นส่วนปลายไม่ได้ไปอย่างนั้นดังนั้นที่หลวงพ่อนำมาแนะนำเพื่อกันลืมแม้จิตใจเราจะเป็นสบายก็าตาม <c oughs> เป็นยางไรก็าตามถ้ามันยังไม่จืดตัวเรานี่นวก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงที่สุดถ้ามันจืดในตัวเราแล้วแสดงว่าเราเข้าใจแล้วธรมธรมชาติตธรรมชาติมันจะสร้างสรรตัวมันเอง พันว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีมีจริงๆเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นแล้วนะยั ง, ยงมันยังเกิดยานขึ้นมานะไม่ใช่ยานรู้ลงหน้านะอันที่ถามกันนะถามลงหน้ามันอยากไม่รู้ <c oughs> เ น, นี่ยเดียวก็ถามคนนั้นถามคนนี้แปลว่าเราอยากรู้แต่เราอยากไม่รู้อันนะั้นเราไม่ต้องถามใครเลยแต่ว่าให้ใหใ้ใกล้ๆกับคําพูดที่หลวงพ่อคุณเราจําได้เอา้า เรื่องโทสะโมหะโลภะนี้มันเป็นญ้าปักขอกนี่ยหลวงพ่อพูดมีคนใดมาพูดให้มันแล้วก็มันตึบขึ้นมาเราทันจับมันไว้บางทีนานๆมามันจะเย็นจิ้วทันทีขั้นแรกที่สุดนะเมื่อเราเป็นมาใหม่ๆนี่คนใดมาพูดให้มันเย็นเย็นจริงๆมันฟังได้มันเย็นเพราะมันไม่หนีเนี่ยมันไม่หนีจากที่นั้นเลยตัวรู้ตัวเห็นตัวสัมผัสมันจะไม่หนีจากที่นั้นเลย มันก็เลยเย็นนานๆมาคนมาพูดกะไรออุ่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างอันนี้ก็ให้เข้าใจไว้บัดนี้พอดีมันคนนั้นพูดขึ้นมาคนนี้พูดให้เราเร็วที่สุดไม่ใช่เร็วสามให้มันไวที่สุดให้มันเข้ามาอยู่ที่ตรงนั้นทําความรู้สึกเนี่ยให้มันรู้ผมคิดนั่นเองพอดีคนพูดปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เลยไม่เย็นแล้วก็ไม่นอนพอดีมันไม่เย็นไม่นอนอยากไปตามขั้นมันเลย เมื่อไปถึงที่สุดแล้วมันขาดออกจากกันแล้วเอาต่อกันไม่ได้มันเป็นกำแพงกัน้นหรือเจว่าอย่างไหนก็ได้อันอ น, นี้เนี่ยคือที่เราแสวงหาแต่เราไม่ได้แสวงที่ตรงนี้บัดนี้เรามาพูดกันเรื่องที่เราจะพอจุดจันได้อย่างที่พระอรหันเนี่ยเราเข้าใจสำหรับพระอรหันนั่นต้องมีปาทีมองเห็นตับใจใส้ปลอดคนนั้นคนนี้หรือนั่งทางใน อันนั้นอยากไม่รู้ถ้าอยากรู้เนี่ะถ้าอหารหันต์ไม่ได้ไปเห็นอย่างนั้นเห็นตัวเรานี่เองเป็นปกติอันปกตินั่นคือว่าจิตใจมันคิดเราเห็นเรารู้อารมณ์คนพูดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เพราะเรามีปกติถ้าเราไม่มีปกติเราคนพูดเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้มันก็ไปจับคําพูดของคนอื่นพูดหูไปฟังของคนอื่นพูด ใจมันก็นเลยไป ร, รับเอาอารมณ์ของคนมันก็นมาพี่ไม่ปกติแล้วบป็นผิดปกติแล้วบป็นอันผิดปกติในบ้านหลวงพอเรี๋ยวบ้าไอ้บ้าคนนี้ผิดปกติแล้วถ้าเป็นผู้หญิงกับนางนี้บ้าผิดปกติแล้วเ น, น, นี่นนนเยนนปเป็นยังไงอันผิดปกตินั้นแปลว่าไม่ถูกแต่คนอื่นอาจจะถูกต้องเป็หลวงพ่อไม่ถูกต้องใครจะพูดยังไงหลวงพ่อคะถือมัน่นถ้าหลวงพ่อถือมันอ่นเนี่ยเป็นโอปปทานไหม แัะเป็นกระเพรนหนูพ่อรู้จักสมมุติดีเป็นอย่างนั้นเชียววะให้เราเข้าใจตัวนี้เมื่อมันคาดออกจากกันนะใครๆเขาตานมันจะสะบั้นตัวขึ้นทันทีเลยเลือดมันจะไม่ไปออกปากบาดมันจะกลับคืนมาแผลอันนั้นอ่ะถึงดีแล้วมันติดกันดีแล้วมันก็เป็นแผลอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะเราจะเห็นอันนี้นะให้เราเดินทางอันนี้ตรวจทางเรามีหลักมีตอที่เราต้องเดินทางสายนี้ นี่ทางนี่เป็นทางสายเอกทางไปคนเดียวทันวันจะไปสองคนสามคนไม่ได้ทําไมจึงเอาไปคนเดียวเรารู้แต่เฉพาะตัวเราเราไม่รู้คนอื่นก็ไปคนเดียวดิทางสายเอกก็เราไปได้เนี่ยคนอื่นก็ไปได้เหมือนกันเจ้ว่าเป็นลูกคนอื่นผิดทางนั้นอันนี้เรียกว่าทางสายเอกทางไปคนเดียวทางสายนี่แหละทางให้ทําที่สุดได้เดียวทางสายเอกทางไปคนเดียวนั่นจะเป็นลูกคนอื่นไม่ได้คนอื่นพูดค่อยมาหลอกฟังได้ คนอื่นพูดให้เรามาเราฟังได้แต่ว่าคนนั้นพูดยังไงเราฟังได้แต่เรารู้จักคำหมายของคนนั้นได้แต่เรามาดูเอาตัวเราเข้าไปวัดเอาเท่า น, นั้นเองอันนี้เรียกว่าทางไปคนเดียวจะไปสองคนสามคนไม่ได้พอจะทำแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทำแทนพ่อก็ไม่ได้แม่จะทำแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทำแทนแม่ก็ไม่ได้ทาไม่ได้จริงๆหรอทางไปคนเดียวใครต้องการก็ทำเอาเองอันนี้ไม่ ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีการบังคับเดี๋ยวพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของใครเป็นของทุกคนเป็นสากลคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลรู้แล้วจงวนุนฤทธิศิ์ไม่ได้รู้แล้วทําลายก็ไม่ได้จิ๋วมันเป็นอยู่อย่างนี้อันธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นคนแรกคนพบท่านคนพบตัวท่านเอง เราก็เคยได้ยิงได้ฟังกันมาหลายครั้งหลายผลแล้วว่าถ้าพระพุทธเจ้าตัดสรูพ้พราะการทําทางจิตทางใจเนี่ยอันจิตใจจีวมันเร็วที่สุดนั่งอยู่ที่นี่ถ้าคนเคยไปกรุงเทพเ น, นั่งอยู่แป๊บเดียวนึกถึงกรุงเทพเห็นทันทีนั่งอยู่ที่นี่คนไปเมืองนอกเห็นเมืองนอกทันทีจีว่าจิตใจบนเกียวเร็เวที่สุดถ้าหากไม่เร็วเท่ากับจิตใจ<อ>แล้วก็สแสดงว่ามันหลอกเราเพราะอาว่า ใจิตใจคนวอกแวกก็กลับได้ไวมันกลับไวดุจมีลานไขในตนคือ น, นาดิกาเนี่ยนะหมุนอย่างนั้นนะเราท่านคนบังคับคนให้จิตยนหมุนมาแต่ในทางข้างดีนีให้มันหมุนอยู่ในทางนีคือรู้สึกตัวรู้เฉพาะแต่ว่าแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มันทุกเกิดขึ้นนี่เป็ว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้อนนี้ อันรูเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลนั้นครบทุกเม็ดถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ความรู้อันนั้นก็ดีแต่มันใสประโยชน์กับชีวิตของเราไม่ได้ผลแม้จะรู้จิตใจของคนทุกคนได้กันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรกับชีวิตของตัวเองเป็นอย่างนั้น เมื่อจิ้รู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดก็ตามถ้ากแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็คือว่าควมรู้อันนั้นนะ่ะยังไม่ได้คุ้มค่ากับชีวิตของเราชีวิตของเรานี่คือไม่ต้องการความทุกข์ทุกคนเกิดมาและไม่ต้องการความทุกข์ทางนั้นแต่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราลืมตัวเราเท่านั้นเองจริงว่า พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้การเคลื่อนการไหวท่านบอกสัส้นๆรวบรัดเอาไ ว, ว้ว่าให้มีสติรู้ในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนและให้มีสติรู้ขูเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้รู้ในตัวเราตนนี้เอง ทำไมว่าสอนให้รู้อย่างนั้นเพราะว่าในอีริยาบททุกประเภทแม้จะเป็นคนสวยรวยทรัพย์ก็มีอริยาบทเหมือนกันคนยากจนก็มีอีริยาบทเหมือนกันแม้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็มีอริยาบทด้วยเหมือนกันเป็นผู้มีความรู้มากก็มีอริยาบทอันนี้เหมือนกัน เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ก็มีอีเนี่ยบทอันนี้เหมือนกันจริงสอนให้รู้ของจริงมีเหมือนกันมีลมหายใจเขาออกเหมือนกันแม้ไม่เฉพาะแต่คนสัเดเอกสารก็มีเหมือนกันเป็นอย่างนั้นจึงว่าสอนให้รู้อันนี้อันนี้มันเป็นของจริงจริงทุกคนเพราะว่าในเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวไปมามันเป็นทุกข์เพื่อนสอนให้เห็นทุกข์อันนี้ เมื่อเห็นทุกข์อันนี้แล้วก็เห็นทุกภายในะทางจิตใจมันนึกมันคิดความคิดมันเป็นทุกข์เพราะเขาไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่อยากทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำยังไงมันพัฒนาไม่ได้ร่างกายนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติแม่สัตว์ก็ตายเป็นคนก็ตายเป็นต้นไม้ก็ตายเป็นแม่ ทุกสิ่งทุกอย่างตายเปลี่ยนเป็นเรื่องจิตใจนะั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทัวนั้นจึงว่ า, าพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารู้ถึงจิตใจการรู้เรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนรู้ได้เรื่องนี้แม้จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนก็รู้ได้เหมือนกันเป็นคนรวยก็รู้ได้เหมือนกันเป็นคนจนก็รู้ได้เหมือนกัน คนที่เรียนหนังสือก็อรู้ได้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็อรู้ได้เรื่องจิตใจเพราะมันมีในคนคนน่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องจิตใจให้รู้สองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงลัดล